เรื่องที่23อินเดียในทัศนะของข้าพเจ้าความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้าได้สำเร็จลงอีกเรื่องหนึ่งเมื่อปีกลายมันคือการเดินทางไปทัศนาจรแหล่งกำเนิดพระพุทธศาสนาคือประเทศอินเดียเพื่อการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับลทัทธิศาสนาและวัฒนธรรมกับเพื่อถือโอกาสนั้นสแสวงบุญตามวิสัยของ พุทธศาสนาชนด้วยข้าพเจ้ารู้สึกว่าตนมีเวลาน้อยเหลือเกินสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศกว้างใหญ่ไพศาลและเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าศึกษาค้นคว้าอย่างมากมายเช่นนั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศอินเดียไม่ว่าจะเป็นทัชมาฮาลสุวรรณวิหารป้อมค่ายแม่น้ำเสาหินหรือหางเปียตลอดจนภาพโภก และหนวดคราวอันรุงรังบนใบหน้าของเขาแต่ละสิ่งแต่ละอย่างล้วนแฝงไปด้วยความหลังและเหตุผลควรแก่การศึกษาทั้งสิ้นการคิดนึกหรือการคาดคะเนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับคนอินเดียและประเทศของเขาด้วยละพังการเห็นด้วยตาหรือสัมผัสด้วยมือแต่ไม่ได้ศึกษาเรื่องราวเบื้องหลังให้ถ่องแท้ย่อมจะต้องผิดพลาดอย่างแน่นอนเพราะอินเดียปัจจุบันนี้ หากจะอุปมาก็เหมือนกับพระฤาษีผู้ชราภาพซึ่งเคยมีประสบการณ์แห่งชีวิตมาก่อนแล้วโชคชนเป็นเวลาหลายชั่วโมงที่ข้าพเจ้าเดินวกวนอยู่ในหุบเขาเบนจกคิรีแต่ก็ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยยอดเขาคิจกูรช่องอีสิคิริเวภาระและทราบพระเวรุวันมหาวิหารเป็นสิ่งที่เราใจอยู่ตลอดเวลา ที่นั่นคือมหานครราชคลีในครั้งพุทธกาลเป็นราชธานีแห่งประเทศมหาณาธและเป็นแหล่งอำนวยการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในภาคพื้นชมพูทวีปแต่ปัจจุบันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เสื่อมสิน้นโรยลาไปตามกาลภายใต้กฎอนิจจังที่พระศาสดาพุทธ ท, ทรงสอนไว้ข้าพเจ้านั่งลงที่โคนต้นไม้ริมสระภายในบริเวณซากวัดเวรุวาราม เพื่อใช้เวลาคำานึงนึกถึงเหตุการณ์แต่หัหลังซึ่งกำลังประดังกันขึ้นในห้วงคิดแล้วโยงเหตุการณ์เหล่านั้นเข้ากับสภาพของอินเดียในปัจจุบันในบางครั้งก็งัดเอาแผนที่ประกอบการเดินทางออกจากกระเป๋าเอามากางดูเพื่อสอบกับหลักฐานข้อเท็จจริงด้วยมันเป็นเรื่องแปลกอยู่เหมือนกันเพียงกวาดสายตาไปบนแผนที่ทวีปเอเชียเท่านั้น เราก็จะเห็นอาณาเขตประเทศอินเดียมีลักษณะผิดแปลกจากประเทศทั้งหลายอื่นในทุกซีกโลกมนุษย์เหล่านี้กล่าวคือส่วนบนของประเทศนั้นมีลักษณะอ้วนอวบและกว้างใหญ่ผนึกด้วยเทือเขายาวเหยียดมียอดสูงชันแซงสลับซับซ้อนไม่รู้ว่าเกี่ยวร้อยกี่พันยอดส่วนล่างกลับเรียวเล็กและยื่นส่วนแหลมสุดลงไปในทะเล ตรงที่เรียกว่ามหาสมุทรอินเดียรูปลักษณะอย่างนี้หากจะนึกหาสิ่งเปรียบด้วยการดูเพียงผิวเผินก็เห็นจะเปรียบได้กับกมลชาตคือดอกบัวที่กำลังตูมเต่งเต็มที่จุนจบานซึ่งใครคนหนึ่งได้บรรจงจัดวางทับลงไว้บนพานดอกไม้นานาชนิดเบื้องหน้าแท่นบูชาแต่พอเรายื่นแผนที่แผ่นนั้น ออกห่างตัวพอสุดแขนกระมนลดอกนั้นกับปรากฏพระหนึ่งรูปดวงกระมนลในทรงอกแห่งมนุษย์เราที่ธรรมชาติหากบัรจุไว้ข้ามกลางมวลอวัยวะน้อยใหญ่ในห้องอุทธรอันเดียวกันปแปลกอะไรอย่างนี้แต่ก็เชื่องประไรคําว่ากระมนลก็กินความครอบคลุมถึงสิ่งทั้งสองนั้นครบทั่วนแล้วคือทั้งดอกบัวและดวงอาทยัย ต่างก็มีชื่อว่ากมลเช่นเดียวกันศิลปินแห่งประเทศอินเดียคงจะได้หยิบยกเอาสัญลักษณ์พิเศษนี้กระมังขึ้นสร้างโดยมโนภาพแล้วถ่ายทอดลงสู่ปฏิมากรรมหากจะแสดงด้วยภาพว่าท่านบูไดเป็นที่เคารพรักของมหาชนเขาก็ทำรูปดอกบัวรองรับภาพเขียนหรือรูปปั้นของท่านผู้นั้นไว้ดังเช่น ศิลปะบวชความบวงหงายรองรับพระพุทธปฏิมาที่เราเห็นอยู่จนตราบเท่าทุกวันนี้เพียงสั ญ, ญลักษณ์อันเกิดจากธรรมชาติตกแต่งไว้ดังกล่าวแล้วนี้ข้าพเจ้าก็พอใจที่จะให้สมยาแก่แผ่นดินผืนนี้ว่าแผ่นดินหัวใจโลกแม้ว่าในยุคอดีตอันไกลนอนแผ่นดินผืนเดียวกันนี้ได้ถูกเรียกว่าชมพูทวีปและถูกเรียกว่าประเทศอินเดีย ในทุกวันนี้ก็ตามยิ่งชาคิดไปว่าแผ่นดินผืนนี้ได้เป็นแหล่งกำเนิดของปวงประชาเมทีและศิลปศาสตร์หลายสาขาซึ่งต่อมาก็ได้วิวัฒนาการออกเป็นศาสนาและลัทธิประเพณีต่างๆแล้วแปร่กระจายออกไปฉลมเลี้ยงดวงใจของมหาชนแทบทั่วทุกมุมโลกรวมทั้งประเทศไทยและคนไทยออเราด้วยก็ยิ่งน่าคิดว่า ประเทศอินเดียควรได้รับสมญาดังที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วนั้นเป็นอย่างยิ่งยุคนน้นข้าพเจ้าหมายถึงภายในระยะเวลาประมาณ5ศตวรรษก่อนพุทธกาลขณะที่ประชาชนพลโลกกำลังตกอยู่ในห่วงมหนพคือกระแสทานแห่งราคาดำกิจสนาพากันเฮี่ยนกระหายจะเสริมสร้างอาณาจักรในพิภพนี้ แต่ชาวแผ่นดินหัวใจโลกจานวนไม่น้อยได้สนใจกับอาณาจักรบนสวรรค์กันแล้วอย่างจริงจังคำว่าโมกธรรมเป็นคำที่กล่าวถึงกันอย่างแพร่หลายในสังคมของพวกเขาจนกระทั่งถึงต้นศตวรรษที่26นับแต่ศตวรรษนี้ถอยคืนไปแผ่นดินหัวใจโลกก็บรรจุเต็มไปด้วยอาสมของเจ้าลัทธิคณาจารย์ตั้งเรียงรายกันอยู่ทั่วทั้ง16กแคว้น ตั้งแต่ป่าหินมะพานเรื่อยลงมาจนกระทั่งถึงปากน้ำามหานาทีโคทาวรีและโคงคาคณาจาร์เหล่านั้นได้บำเพ็ญตนเป็นนักพรสต่างๆกันเช่นเป็นฤาษีเป็นดาบทโยคีชดินปริภาชกเดียรถีและนิครนเป็นต้นที่มีนามปรากฏในพระไตรปิฎกก็มีอยู่เป็นอันมากเช่นสัญชยัย ภาวรีกสปะและอชิตากำพลเป็นอาทิหลายท่านได้สำเร็จฤทธิ์อันเป็นโลกยาวิสัยและมีอยู่หลายท่านได้รับความสำเร็จในทางสมาธิถึงชั้นชาญเบื้องต้นแล้วจริงอยู่ทฤษฎดีที่เจ้าลัทธิเหล่านั้นนำออกเผยแพร่อาจผิดพลาดและขาดความเหมาะสมอยู่หลายประการแต่ก็คงไม่มีนักปราดคนใดในโลก ที่จะกล้าปฏิเสธว่าทฤษฎีเหล่านั้นไม่ได้กลายมาเป็นมูลฐานแห่งการค้นคว้าในยุคหลังและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของผู้ที่ได้พบความสำเร็จในยุคต่อมาในยุคเดียวกันนั้นแผ่นดินหัวใจโลกก็ได้ให้กำเนิดแก่พระสัสดาพระองค์หนึ่งคือพระพุทธเจ้าโคตมะผู้ซึ่งทรงสลดตาแหน่งราชทายาตแห่งราชบัลลังกบิลพัท ออกทรงผนวดสแสวงโมคธรรมจนได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณและทรงนำขบวนพุทธสาวกประกาศศาสนาแก่มหาชนอย่างจริงจังหลักธรรมมันใหญ่ยิ่งที่ทรงพร่ำสอนคือทางพ้นทุก์พระองค์ทรงเรียกร้องมวลมนุษย์ให้เลิกละจากการสแสวงสุขเพื่อตอนเองด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่าเขาจะเป็นใครและเป็นคนวันน้ใดก็ตาม การเบียดเบียนตามทัศนะของพระองค์มีความหมายลึกซึ้งและกว้างขวางครอบคลุมไปถึงการคิดเบียดเบียนผู้อื่นแม้ด้วยใจพระองค์ทรงสอนในความจริงที่ว่าการฆ่าเป็นการเบียดเบียนร่างกายการลักเป็นการเบียดเบียนกรรมสิทธิ์การผิดประเวณีเป็นการเบียดเบียนจิตใจการกล่าวเท็จเป็นการเบียดเบียนศัธรรมการดื่มน้ำเมา เป็นการเบียดเบียนตนเองพระองค์ตรัสว่าอัพยาประชังสู่ขั้งโลเกความไม่เบียดเบียนกันเป็นความสุขในโลกไม่ช้าไม่นานกาสาวพัทธงใช้แห่งพระอริยะอันเป็นสัญลักษณ์แห่งอาหิงสธรรมก็ประลิวสะบัดโบกไปยังภาคพื้นต่างๆทั่วแผ่นดินหัวใจโลกและแผ่คลุมไปยังนาน า, นาประเทศในการต่อมา ในนามแห่งพระพุทธศาสนาเหตุการณ์ผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างก็สับเปลี่ยนเวียนวนไม่หยุดยัง้งแม้ว่าอาทิตย์และดวงจันทร์ยังคงโครจร อ, อยู่ในเส้นทางเดิมยอดหิมาลัยอันเป็นเสมือนขั้วหัวใจโลกยังคงปกคลุมด้วยหิมะแต่สรรพสิ่งทั้งหลายก็ตกอยู่ภายใต้กฎอนิจจังหาความทิ้งแท้แน่นอนไม่ได้ธงชัยแห่งพระอรหรันต ซึ่งเคยปลิวสะบัดไปทั่วแผ่นดินผืนนั้นตลอดระยะเวลายาวนานย่าง 2,000 ปีแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนหายไปและในที่สุดอินเดียก็ว่างเปล่าจากขบวนพุทธสาวกแต่อหิงศธรรมหาได้หมดสิ้นไปจากอินเดียไม่เมื่อพุทธศักราช 2,012 อันเป็นระยะเวลาที่อหิงศธรรมกำลังอับแสงลงถึงที่สุด ด้วยถึงแรงกิเลสร้ายในดวงใจของมนุษย์กระพือพัดจวนจะดับไม่ดับแหลก็ได้มีวีรบุรุษหนึ่งถือกำเนิดขึ้นบนแผ่นดินหัวใจโลกเขาผู้นั้นคือครุนานคกพระศาสดาองค์ที่หนึ่งแห่งศาสนาซิกนานคกได้พยายามเรียกร้องประชาชนผู้กระหายเลือดให้หันเข้าหาอาหิงษธรรมเขาก่อตั้งขบวนการอันหนึ่งขึ้นเรียกว่าศาสนาซิก และพร่ำสอนชาวซิกทั้งปวงว่าทูขนาเดีกิจแเชีวะปตเซวะคาระชาววอท่านจงอย่าเบียดเบียนสัตว์มีชีวิตใดใดและจะได้กลับบ้านอย่างมีเกียรติไม่ว่าใครจะนับถือศาสนาองค์ใดและอ้างว่าตนยึดถือคำสอนแห่งพระศาสดาใดาก็ตามจำต้องยึด อหิงสธรรมและเมตตากรุณาเป็นหลักนานักกล่าวยืนยันความข้อนี้เสมอว่าอัศตยรัตถะสกลปุญญชีวะทยาปรวะวานะแม้จะจาริกสแสวงบุญทั่วท่วนทุกปุญญสถานแต่จะได้อันนี้ส่งมากไปกว่าเมตตากรุณาก็หาไม่จนกระทั่งแบับนี้ในแคว้นปัญจาบประเทศอินเดีย อันเป็นดินแดนแห่งชาวซิกก็ยังมีสโลกอันกล่าวด้วยภาษาปัญจาบีเป็นที่จับใจยิ่งว่าพยะกะหุโกเทตนะนะพยะมานตะอาณนะจงอย่าก่อภัยแก่ผู้อื่นและจงอย่ารับภัยจากผู้ใดเหตุการณ์ผ่านไปอหิงสธรรมลุกโพล่ขึ้นสาดแสงทั่วปฐพีพราตาเป็นบางครั้ง แล้วก็ทำท่าว่าจะดับวูบลงเป็นบางคราวเรื่องของโลกมนุษย์ก็หากเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นจนกระทั่งมาในพุทธศตรวรรษที่25ซึ่งพึ่งผ่านพ้นไปนี่เองแรงกิเลสตัณหาก็ไหลบ่าเข้าท่วมท้นประเทศอินเดียอีกอุปมาเหมือนกระแสน้ำไหลบ่าลงจากฮิมาลัยแล้วไหลนองไปทั่วผืนแผ่นดินทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารสูญเสียไป กล่าวคืออหิงสธรรมต้องอับแสงลงอีกแต่มันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ในเมื่อสวรรค์ได้จงใจจัดแผ่นดินผืนนี้ไว้สําหรับอหิงสธรรมเพื่อหล่อเลี้ยงดวงใจของชาวโลกดังนั้นเมื่ออหิงสธรรมถูกเมฆหมอกเข้าบทบังและมีกระแสทานแห่งกิเลตันหาไหลบ่าเข้าสู่อินเดียก็ได้มีวีรบุรุษใหม่บังเกิดขึ้นอีกท่านหนึ่ง ในดวงใจของเขาเต็มเปี่ยมด้วยอหิงสาและพร้อมที่จะพลีทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อป้องกันหลักธรรมดังกล่าวให้สถิตสถาพรเพื่อชาวโลกเขาผู้นั้นคือโมหนจาร์กรมจาร์ขานทีผู้ซึ่งกำเนิดเมื่อพุทธศักราช 2,412 น่ณเมืองสุทามาบรีหรือซึ่งเรียกว่าโปรบันทะ ในทุกวันนี้คารทีได้ถือกำเนิดมาเพื่อเช่อชูและป้องกันอหิงสาธรรมโดยเฉพาะเขาได้ทอดชีวิตและร่างกายลงเป็นถมนบการกั้นกระแสทานแห่งความโลภริษยาเขาใช้วาทะเข้าปัดเป่าเปลวเพลิงแห่งความมาคาดมาร้ายมีให้ลุกลามคารทีกล่าวแก่สานุสิตซึ่งหมายถึงมหาชนชาวอินเดียทั้งปวงว่า อหิงสาปรโมทรัมธรรมอันยอดเยี่ยมแท้จริงคือความไม่บิดเบียนไม่ว่าในราวป่าในถ้ำกลางสภาไม่ว่าในที่ไหนไหนกานที่พูดและกระทำเพื่อสิ่งนี้จนกระทั่งชัยชนะได้ตกอยู่แก่เขาและชาวอินเดียทั้งปวงจากการเดินทางไปศึกษาและสังเกตภาวะของอินเดียด้วยตนเองครั้งนี้ข้าพเจ้ายังได้พบว่า อหิงสธรรมได้ปลูกฝังลงมั่นคงแล้วในจิตใจของชาวอินเดียดังจะเห็นได้ว่าแม้ชาวอินเดียจะต้องเผชิญกับความหิวโหวยและบางครั้งก็เผชิญกับอำนาจฝ่ายต่ำคุกคามแต่เขาก็เพียรพยายามแก้ปัญหาชีวิตได้โดยไม่ละทิ้งอหิงสธรรมอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่มีพลเมืองมากอย่างนั้นน่าจะมีอัชฉริยกรกหนาแน่น แต่สถิติอาชญกรรมของเขากลับเบาบางน่าสรรเสริญปัจจุบันนี้อินเดียเป็นตลาดศาสนาที่ใหญ่ยิ่งที่สุดในโลกโดยที่ทุกๆศาสนาได้เข้าไปเจริญงอกงามอยู่ในประเทศนั้นภายใต้เสรีภาพทางศาสนาอย่างกว้างขวางซึ่งจะหาได้ยากในประเทศอื่นข้าพเจ้ารู้สึกหนักใจเหมือนกันในปัญหาที่ว่า เราจะนำพระพุทธศาสนากลับเข้าไปเผยแพร่ในอินเดียได้อย่างไรแต่วัดไทยอันสวยงามซึ่งเราชาวไทยได้ลงทุนสร้างไว้ที่พุทธคยาก็ทำให้เกิดความหวังขึ้นบ้างเหมือนกันสักวันหนึ่งข้างหน้าชาวไทยกับชาวอินเดียคงจะได้ประจักษ์แจ้งขึ้นมาว่าเราทั้งสองต่างก็ยึดหลักธรรมอย่างเดียวกันคืออหิงสา อันสืบเนื่องมาแต่พระสัสดาสัมมาสัมพุท ธ, ธะเมื่อยี่สิบหกศตวรรษก่อนโนและข้าพเจ้าหวังว่าแผ่นดินหัวใจโลกคงจะไม่มีวันสูน์สิ้นจากอาหิงสา11สิงหาคม2504